เพื่อนสายทรรายทำนิกายทั้งหลายสำหรับวันนี้ก็จะขอนำอบุบกรรมของท่านพาพุตธวกคีสามสิบท่านที่องค์สมเด็จพระบิตกมานบรมศาสนาสมมาสมพดทธเจ้านำมาเล่าไว้ในเรื่องที่พระพุทธเจ้าถูกดินทา โดยความจริงใ้เรื่องนินทาว่าร้ายนี่ผมอยากจะย้ำไม่เสมอเพราะท่านหลายจงสร้างอารมณ์ใจของท่านให้มันคงอย่ามีความหวั่นไหวในนินทาประสองสาประสองสาเนี่ก็คือการสันเสริญที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงจัดว่า น, นินทาและสันเสริญนี่เป็นของประจําโลก คนที่นินทาด่าว่าร้ายเราท่านจงอย่าคิดว่าเป็นคนที่เสียประโยชน์เสมอไปเขาจริงจะนินทาคนบางพวกเขาได้ประโยชน์จากเราต้นหน้าเราเาก็สันเสริญแต่พอรับหลังเขาก็นินทาทั้งทั้งนี้เขากินของเราเขาใช้ของเราอยู่อย่างนี้ท่านหลายจะพึงเห็นอยู่เสมอ ประเหตุเรื่อกรกันอย่างนี้มีซึ่งกับบรรดาพวกท่านทั้งหลายเพราะท่านทั้งหลายจงยาวหวั่นไหวในคำนนิทานสันเสรินนั้นดูตัวอย่างอ ง, งค์สมเนตจพักดิวันบรมสารสัดาสัมมาสัพพุทธเจ้าพยายามรับพระคขมบวช ท, ทรงเคาะในการสอนพระ ธ, ธรรมวินยัย ทำให้เป็นพระราหันปรากฏขึ้นในการนั้นประมาณนี่หกร้อยรูปเศษเพราะประธานอภัยไม่ใช่หกร้อยรูปเศษก็สองชุดเข้าไปพันกว่าแล้วคือพันคณะของบกบกมุกลาละสาธิบุตรและคณะของเจดินทดนสามสอง 3, ชุดนี่พันเศษ แต่ถึงกัะ น, นั้นก็นดีพระที่เขามาใสาองสมเด็จพระบร ม, มโลกระเชิกก็ยังนินทาพระพุทธเจา้าเจนหากว่าเพอเมื่อพวกท่านทั้งหลายไปโดนแบบนี้เข้าจะมีบุคคลใดก็าตามอยู่ในความอุปการะในการเกื้อกูลของท่านเขากินของท่านเขาใชา้ของท่านฟรีโดยท่านจะต้องจับจ่ายใช้สอยอยู่เป็นปกติ แต่โดนข้าแบบนี้ก็จงดูอยู่ตัวอย่างพระพุทธเจา้าพระพุทธเจ้าถูกนินทาว่าร้ายแล้วองค์สมเด็จพระวัีฑแก้วก็ไม่ผูกใจเจ็บยังมีพระมหากรุณาธิคุณสงเเคเว่าความเป็นมาของบุพกรรมทั้งเหตุทั้งผลนี่เราเป็นสาวกขององสมเด็จพระทศพลเมื่อพ่อ จะต้องถูกนินทาว่าร้ายเพราะการร้เหตุร้ายผลเพราะคนที่อาศัยท่านตอนนี้มีบุญมาชั้นใดเราก็เช่นนั้นเหมือนกันอย่าไปนึกว่าคนในโลกเขาจะรักเราทุกคนหรือกระจงอย่าคิดว่าคนในโลกเขาจะเกลียดเราทุกคนจงถือว่ารักหรือเกลียดไม่มีความสําคัญ ความสําคัญมีอยู่ว่าเราระมัดระวังใจเขาเราอย่าคบกับความชั่วอย่ารับคํานินทาแล้วก็อย่ารับคําสรรเสริญใครเขาสรรเสริญก็ให้ความดีนั้นตกอยู่กับเขาใครนินทาว่าร้ายเราก็ปล่อยให้ความเลวนั้นตกอยู่กับเขาแค่ผู้เดียวพรานนั้นหลายอย่างคงจําเรื่องราวพระองค์สมเด็จพระจอมไตรที่พระพุทธเจ้าถูกด่าได้ รามมันด่าต่อหน้าพระพุทธเจ้าไม่โกรธพราหมหาว่าพระพุทธเจ้าแพ้แล้วพระพุทธเจ้าบอกว่าเราชนะเพราะว่าถ้าเราโกรธคนที่ด่าเราสแสดงว่าเราเลวกับคนที่เขาด่าเรานนั่นเองนี่เป็นอนพรามณ์นั่นโดนพระพุทธเจ้าย้อนเข้าอย่างหนักอาศัยที่พราหมเป็นคนหน้าบางยังมีความระอาย เห็นว่าองสมเด็จพระจอมไตรบริมศากดิ์สัดาเป็นคนดียินดีขอบวชในสนักเขาอง์สมเด็จพระพิณสีในที่สุดท่านก็เป็นพระอรหั น, นต์จำว่าเห็นดีในเขารักเรื่องนินทาเป็นสังสาอยากคิดว่าคนที่นินทาเราด่าเราว่าเราจะเป็นคนไกลเสมอไปบางทีเขากินเขาใช้ได้ทุนของเรานี่แหละเขาก็นินทาด่าว่าเราได้ แปลว่าจงอย่ารับเหตุร้ายคือความชั่วนั้นมาใส่ใจของเรารอยเขาเขาอยากดีก็เขาก็สนเสริญเขาอยากชั่วเขาก็นินทาคนที่นินทาว่าร้ายคนเป็นคนที่มีใจไม่ปกติมีแต่ความเร้รอนนอยู่เสมอในที่สุดกรรมนั้นก็จะสนองผลเขาเช่นกับรเทวทัตตอนนี้ไปมาฟังคำ ที่องค์สมเด็จพระสงฆ์สวัสดีศพผ้าทรงไต่กัมมันดาพิสุทธิ์ท่าหลายความในตอนนี้มีอยู่ว่ามื่อองสมเด็จพระจอมไตรบรมัสสดาจงเล่าความเป็นมาของบรรดาท่านเสีหายห้าสิบห้าคนมีประยศเป็นต้นแล้วต่อไปบรรดาพระสงฆ์ท่างหลายได้กราบทูลถามองค์สมเด็จพระบพิตรแก้ว ว่าพันเตพระก ว, วาข้าแต่องสมเด็จพระผู้มีพระพ่ายเจ้าผู้เจริญพระพุทธเจ้าค่ะเพราะก็พระพัตตวัคีผู้เป็นเพื่อนกันได้ถามกรรมอะไรไว้เล่าพระพุทธเจ้าค่ะเนี่ยถามสั้นๆแบบนี้นะก่อนจริงจำนวนบาลีท่านสั้นแล้วเกินน่ยาถามให้เพาะคนนีสนิดหนึ่งแต่ว่าเป็นเรื่องของท่านใจท่านกับใจผมไม่เหมือนกัน องสมเด็จพระพุกวันบรมศาสตร์เชิาเจียงเล็กรงตัดมีพระพุทธดีกาตัดว่าพิโตเวดูก่อนพิสุทั้งหลายแม้พวกพัตตะวากีนั่นก็ปรารถนาในความเป็นพระอรหันต์ในสำนักพระพุทธเจ้าในปางก่อนแล้วทาบุญภายหลังหลังเมื่อพระพุทธเจ้ายัางไม่เสนอไม่ยังไม่สมด็จอุบัติขึ้น ก็เป็นนักเลงสามสิบคนฟังตุนนดินโลเทวาทแล้วได้รักษาสินห้าตลอดหกหมืนปีแม้พัฒวคีเหล่านั้นก็ได้ผลที่ทำที่ตนปราถนาแล้วเหมือนกันด้วยเหตุอย่างนี้การที่เราไม่ตั้งพัฒวคีพวกนี้เป็นอัศราวก ก็หายใช่ว่าแต่ถาโคจรเลือกหน้าบรรดาพิสุทธิ์ทนหลายก็หาไม่นี่เป็นอนันว่าองสมฤตไปจอมตรทรงจัดประวัติของพระพุทธวัคคีพัทวัคคีนี่ก็แบบพวกนี้ที่มีความเจริญแล้วสามสิบไมแบบย่อว่าท่านนั่สามสิบเนี่ยเวลาทำบุญกับพระพุทธเจ้าก็ปรารถนาความเป็นพระอรหันต์เท่านั้น ไม่ได้มีความปรารถนาจะเป็นอาคัสสรกหรือเป็นรัตตันยูอย่างเช่นพระัญญาโกฏัญญาคขาเรัตตัญญูแปะว่ารู้ราตรีนานคือว่ารู้ก่อนใครทั้งหมดนอกจากพระพุทธเจ้านั่นท่านต้องการอย่างนั้นท่านก็ได้แล้วคณะของพระยศท่านต้องการความเป็นพระรหัน์ท่านก็ได้แล้ว อันพัตตะวกีนี้ท่านทำบุญให้ทานใช่นไหมละ่ะว่าทานเนี่ยเป็นปัใจจัยใหญ่ที่จะสามารถทำให้คุณเข้าถึงความเปรอรหลานได้ตามที่ผมกล่าวมาแล้วเมื่อคืนนี่ท่านสามสิบนี่ท่านกับหนักอยู่ในทานเหมือนกันแล้วก็แล้วก็รักษาศี 5, ลห้าตลอดหกหมืนปีสมัยนั่นคนเมียอายุแปดหมืนปี ในที่สุดเวลานี้ท่านได้อราหันแล้วพระพุทธเจ้าจึงได้บอกว่าแล้วก็จะเอาอะไรล่ะเขาไม่ต้องการนี่เพราะเขาไม่ต้องการความเป็นอราหันต์เป็นอกากาศสาวกชฉยตั้งเขายังไงต่อไปบรรดาพิสุสส์ท่านหลายจะได้กราบทูลถามองค์สมเด็จพระจอมไตรว่าพันเตพระกวาฆ่าได้องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญพระพาาุทธเจ้าค่ะ ก็ท่านกัดศพสามพี่น้องคือมีอุรุเวลกกากัดศพขะกัดศพนาทีกัดศพขายากรศพสามพี่น้องนี่ที่ชายใหญ่มีบริวารห้าร้อยน้องชายคนกลางลงไปมีบริวารสามร้อยน้องชายองค์เล็กลงไปมีบริวารสองร้อยรวมคณะของท่านเป็นพันหนึ่ง แล้วก็ทศถามว่าท่านทำกรรมอะไรไว้เจ้าข้าจึงได้เป็นอรหรันตอนนี้นะ่พระที่นินทาพระพุทธเจ้าท่านเลิกกป็นทายย่องเข้ามาถามพระพุทธเจ้ากันเป็นแถวเป็นอันว่าคานินทาประสาสาวไม่มีความหมายเห็นไหมละ่ะนี่ความจริงเขาได้ดีจากองค์สมเด็จพระจอมไตรในเขายังขาดความกระตัญอยู่รู้คุณ ยนันถว่าท่านหลายไปเจอใครเขากินเขาใช้ของท่านแล้วเขานินทาว่าร้ายท่านแล้วก็อย่าไปโกรธเขาเลยนะปล่อยให้เ้าเลวไปแต่พูดเดียวก็แล้วกันนินทาว่าสงสารเป็นของธรรมดาของโลกอย่าสร้างความสะเทือนใจมันเกิดวาจาของคนไม่ศักดิ์สิทธิ์เขานินทาว่าเราเลวถ้าเราดีเราก็เลวไม่ลง ถ้าเราเลวแล้วเขาเพิ่งเอนเราว่าดีแล้วคุณดีไม่ขึ้นเราจะดีหรือว่าจะเลวอยู่ที่ความประพฤาปฏิบัติของเราอย่างที่ท่านหลายสแสดงมุทุตาจิตวันนี้ด้วยความเมตตาปราณีปลาและเกลือถ้าไม่ได้กินถ้าไม่ได้ฉันแต่ว่าทุกองค์งร่วมกันกระทำเพื่อความเมตตาปราณีสงเคราะห์คนยากจนแข้นใจ นี่จัดว่าเป็นทานใหญ่คือว่าเป็นปรมตาทานถ้าจัดว่าเป็นธรรมก็ถือว่าเป็นธรรมทานเป็นทานที่มีความสูงสุดพระพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าสัพทานนังธรรมทานนางังชินาติการให้ทำเป็ น, ยยนาทานย่อมชนะทานทั้งปวงที่ท่านทํางานลงไปเป็นนี้ในสุิลเมตตาปราณีจัดว่าเป็นธรรมทาน ภูมใจในความดีของท่านได้แล้วต่อแล้วก็จงรักษาความดีนี้ไว้จะลืมว่าถ้าเราดีจงรักษาความดีมันคือรักษาความเข็มแต่หลงละเลืองในความดีมันกลับเป็นเร็วได้รักษาความดีให้ทรงตัวเขาไว้เมื่อความดีเพิ่มพูนมามากมายเท่าไรเราก็เป็นอรหันต์เร็วเท่านั้น ต่อไปฟังเรื่องราวขององค์สมเด็จพโตทรงทันบรมศาสดาต่อไปองค์สมเด็จพระจอมไตรยทรงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็บรรดากระสบสางกับศพมีอุรุเวลากับสบเป็นต้นเขาปรารถนาอารหัตผลไว้เหมือนกันในการก่อนทัยดำบุญไวแล้วในก่อนใน เก้าที่สองกับถอยหลังจากนี้ออกไปองสมเนตรพระจอมไตรบริบาศาสเซนดาสมาสระพุทธเจ้าสอ ง, ส อ, งองค์คือพระติดชะหนึ่งพระพุทชะหนึ่งอุ้มบัตรขึ้นในลกูกอย่านึกว่าพระพุทธเจ้าเกิดซ้อนกันคราวเดียวสององค์นะครับอย่างกับนี้ทรงพระพุทธเจ้าได้ดสิบองค์จัดเรียงเป็นลำดับ กับนั้นส่งพระพุทธเจ้าได้สององเมื่อทนัติขึ้นในโลกแล้วพระราชานามว่าไมหินได้เป็นบินดาของพระพุทธเจ้าสุวรรณนามกุศะก็เมื่อพระองค์ทรงบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณแล้วพระโอรสพระโอรสสององเล็กของพระราชาได้เป็นอัครมหาสาวก ได้เป็นพระอัครมหาสาวกปุโรหิตได้เป็นพสาวกองที่สองพระสาวกที่สองที่ผมไม่เข้าใจเหมือนกันเป็นอนว่าพระอรรถคุมราชาสองพระองค์ได้เป็นอัครมหาสาวกอย่าวพระมคคลาภาษานี่หมดปุโรหิตได้เป็นพระสาวกที่สองคงจะเป็นธรรมหาสาวก พระราชาได้สเสด็จไปยงังสำนักของพระศาสดาคือพระพุทธเจ้าทรงดูตรวจดูชนนัหลายเหล่านั้นว่าราชโอรสองค์ใหญ่ของเราเป็นพระพุทธเจ้าราชโอรสอง์เล็กเป็นอัครสาวาอัครสาวกโปรหิตเป็นพระสาวกที่สอง ยังได้ทรงเปล่อุทานสามครั้งว่าพระพุทธเจ้าของข้าพเจ้าพระธรรมของข้าพเจ้าพระสงฆ์ของข้าพเจ้านี่เป็นอมภะเป็นพระราชาและไม่ได้เป็นอะไรลูกเป็นพระพุทธเจ้าเสียแล้วนี่ก็เป็นอักครุษอัคคสางโฆเสียแล้วนี่เน้กล่าวว่าพระพุทธเจ้าเป็นของข้าพเจ้าพระธรรมเป็นของข้าพเจ้าพระสงฆ์เป็นของข้าพเจ้า จเจ้าพระเจ้าค้นรอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้พระอระหันต์ต่อรู้ชอบเองพระองค์นั้นดังนี้แลหมอบบัตบาทรธมูนคำว่าบาทรธรรมูในใกล้พระบ่ายขององค์สมเด็จตุสมาสมพุทธเจ้าทรงตัดปริยาค่าแต่พระองค์ผู้เจริญบัตรนี้เป็นประดุจหนึ่งว่าเวลาที่มองมอมฉันนั่งหลับ ในที่สุดแห่งอายุประมาณเก้าหมืนปีเห็นไหมเวลานั้นคนลสัตว์มีอายุเก้าหมืนปีขอพระองค์อย่าเสด็จไปสู่ประตูรเรงของชนงหลายเราเอือนจงรับปัจจัยสี่ของหม่อมฉันตลอดเวลาที่หม่อมฉันยังมีชีวิตอยู่หวังพระพุทธเจา้าเสียด้วยตามใจท่านจะไปขข่คอท่านเลย เมื่อทรง ต, ตัดอย่างนี้แล้วก็ทำพุทธอุปถาคืคอำคำว่าอุปถาที่แปลว่าบำรงเลี้ยงดูให้ความอยู่เป็นสุขเป็นประจำอันหนึง่งพระราชาส ม, มีพระราชโอรสอื่นอีกสามพระองค์บรรดาพระราชโอรสทั้งสามพระองค์เหล่านั้นองค์ใหญ่เป็นนักมีนักครบเป็นบริวารห้าร้อยองค์ อง์กลางมีนักรบเป็นบริวารสามร้อยองค์เล็กมีนักรบเป็นบริวารสองร้อยองพระราชโอรสทั้งสามองนั้นทูลขอโอกาสกับพระราชวีดาว่าระม่มฉันทั้งหมดจากนิมนต์พระเจ้าพี่สเสวยนิมนต์พระพุทธเจ้าไปแล้วก็พี่ชาย ไปฉันปตาหารที่พระราชินีพระราชินเวกของพระองค์ตัหนักของพระองค์การทุนอ้อนวอนอยู่บ่อยๆพ่อก็ไม่ยอมให้ต่อมาเมื่อปัจจันยะชนนบทคำว่าปัจจันตะแชนนบดคือประเทศปลายแดนจังหวัดแกลชายเขตแดนจะมีโจรกําโกเขาก็มเริมขึ้นทิชบด ในเมืองไกลๆชายแดนเขาขิ้นขบเพระอาชโอรถทั้งสามดได้ถูกส่งไปเพื่อประโยชน์ในการระงรับปราบปรามขบดท่านปราบปรามขบดในปัจจันทะ์เจ้น้าบคือประเทศชายแดนให้ราบคาบเรียบร้อยแล้วมาสู่สานักของพระราชวิดาครั้งนั้นพระราชวิดาส่งสวมกอด พระโอรสทางสามเหล่านั้นแล้วก็จุมพิจุมพิจจูบนะจูบทิศตะแล้วทรงจัดว่าพ่อทั้งหลายมีดาขอให้พรกับเจ้าพระราชโอรสทางสามกราบทูลว่าดีแล้วพยาวขาะ ทำพระพรให้เป็นอันถืออันแล้วหมายความว่าเมื่อพระองค์เมื่อพระจุรนดาให้พรก็ขอรับข้าพระพุทธเจ้าทั้งหมดขอรับพรพระเจ้าค่ะเวลาต่อมาสองสามวันพระจุรินาดาก็ตรัสว่าพ่อทไหลเจ้าจงรับพรเถิดคาว่ารับพรนี่หมายว่าให้รางวัลนะ ให้รางวัลรางวัลที่ให้ให้เลือกเอาจะเอาอะไรก็ได้จะให้ตามเขาชอบใจเจ้พวกท่านจะไม่เข้าใจบางทีท่านนนั้หลายเข้าใจแล้วก็มีแต่กันกันเขาไว้ผมไม่เคยคิดว่าพวกท่านทั้งหมดดีแยงกว่าผมก็มีหลายท่านที่มีความสามารถดีกว่าผมทั้งเยอะศีลปะต่างๆที่ท่านทากันงานทั้งหลายที่ท่านทํากันผมทําไม่เป็นดังหลายอย่าง ในเรื่องสั่งในคนสั่งเป็นแนะ่ดีไม่ดีเพรากฎสั่งถูกมั่งผิดมั่งนีนคนสั่งเนี่ยเขาสั่งเป็นสั่งเป็นใน ง, งานจะดีก็ได้จะเสียก็ได้ในการที่สับแสนแห่งหลายก็คิดว่าท่านจะไม่รู้แต่ไม่ใช่คงทราบประศุนุแต่ว่ากันไว้กันหลงไปในเรื่องอื่นเป็นอันว่าพระราชาในสมัยนั้นนะให้ก่อน รับพรแล้วถือว่าพรนี้ให้แล้วเลือกเราทานชอบใจจะเอาอะไรก็บอกมาให้หมดเป็นอว่าวันสองสามวันท่านพ่อก็ บ, บอกว่าเจ้ารับพรทัที ท, ที่ลูกเอ้ยพ่อให้แล้วเราเอาจะต้องการอะไรก็ บ, บอกพ่ อ, พ, อพระพุทธเจ้าข้าข้าพระพุทธเจ้ามีความประสงค์สิ่งไรสิ่งหน นั่นหม่อมฉันไม่มีเพราะวรารักพราะพุทเจ้า พ, พ่อนี่ให้แล้วทุกอย่างในที่ที่กะอาค่าพระพุทธเ จ, จ้าอยู่แต่มันมีครัพย์เจ้าของชั้นดีของชั้นเลวคนชั้นดีคนชั้นเลวมีทุกอย่างเรื่งที่มีชีวิตแล้วไม่มีชีวิตเรื่องไม่จะขัดข้ออะไรไม่มีเพราะว่าทั้งนี้ก็เพราะพระเจ้าพ่อทรงมีพระมหากุณาธิคุณ มาตั้งแต่เกิดจนกระทั่งวันนี้ริงไม่มีอะไรบกพ่องแต่มันบกพ่องอยู่นิดเดียวแหละท่านพ่อถามว่าพ่องอะไรลูกขอจะให้บอกพ่อเถอะไม่ต้องนิดมากก็ได้ท่านลูกแต่สาที่ในกราบทูลว่าหม่อมฉันอยากจะนิมนต์พระเจ้าพี่สวย ขอพระเจะพ่อจงพระราจทานพรนี้จะหม่อมฉันเถอดพรเจ้าค่ะแน่โดนหมัดหุกเขาน่ามึดพระราชายันได้ตัดว่าพ่อคุณเอาอย่างอื่นทะลูกนะอย่างนี้เนี่ยพ่อสัญญากับพระบิดาเจ้าแล้วว่าพ่อจะเลี้ยงตลอดชีวิตเอาอยางอื่นทะลูกถ้าต้องการจะเลี้ยงพระเจ้าพี่แล้วก็รอให้พ่อตายซะ ก, ก่อน เป็น ไ, ไงดูสิของไม่หวงแต่ว่าหวงบุญบันดาพระเจ้ารดเจเนกราบทุนว่าเมื่อไม่พระราชทานเสมอไปก็เขาได้ปรูกพระยาทานจะมอมฉันสักเพียงเจ็ดปีก็แล้วกันเจ้าค่าท่านพ่ออึง้งนี่จะเล่นตังเจ็ดปีเนี่ย ไ, ไม่ได้ไม่ได้ไม่ตกลง พระราชาก็บอกว่าพ่อคุ ณ, คณลูกรักมากไปลูกเอ้ยพ่อน่ยแก่แล้วเห็นใจพ่อเถอะพ่อมัน น, นไม้ไกลกวัางมันจะตายแหลไม่ตายแหลให้พ่อทำบุญให้อิ่มใจสสื่อมิตาลูกบรรดาพระราชาโอรถก็กล่าวต่อไปว่าถ้ากระนั้นขอพระเจ้าทานเดียงหกปีห้าปีสามปีสองปีหนึ่งปีเจ็ดเดือนหกเดือนห้าเดือนสี่เดือนสามเดือน เป็นอนว่นาท่านพ่อ ก, ก็บอกไม่ได้ลูกๆก็ไอสามเดือนเนี่ยพ่อจะตายซะก่อนก็ได้นะลูกนะพ่อมันแก่แล้วอย่เอาเลยขอให้พอ่อเถอะพระราชาไม่ยอมให้พระราชาแล้วก็ตึ้ง ก, ะ, งกะว่าช่างเถิดพระเจ้าค่ะขอจมพระเจดทานแก่ข้าวิเจ้าสักสามเดือนข้าวิเจ้าจะขอคนละเดือนเท่า น, นั้นละพระเจ้าค่ะ ถ้าให้หรือไม่ให้ลูกทั้งสามขอแม่ก็พระเจ้าพ่อสมพระเาทานพรแล้วถ้าไม่ให้ก็เสียสัจวาจาน่าลูกเล่นล็อกเขาแล้วพระราชาอึง้งถอนใาจ่าไม่ได้ก็ตัดสินใจว่าเอาพ่อตกลงพ้นนะเอากันแค่คนละเดือนนะลูกนะสามเดือนพ่อจะอดใจ แต่ว่าในเวลาสามเดือนที่ลูกทําบุญเนี่ยพ่อจะไปร่วมด้วยแต่เรื่องนายบุญให้เป็นเรื่องของพ่อราชาทรงอนุญาตจึงทรงนิมนต์ให้เสวยได้ให้รับให้รับเสวยให้รับพระพุทธเจ้าไปเสวยได้สามเดือนก็สมัยนั้นขุนคลังของพระราชาโอรสทั้งสามนั้นเมื่อพระราชโอรสที่มีสามองค์แต่ว่ามีขุนคลังคนเดียวกัน ระบบบัญชีก็เป็นคนเดียวกันท่านเนี่ยสามพระองค์นั้นมีบุรุษสิบสองหนห้าหดไอ้หน้าหดนี่หน้ามันคลัวนหน้าหดละหมื่นนะนหน้าหดหนึ่งเนี่มาประมาณหมื่นคนนะถ้าผมจำไม่ผิดแตผ่ผมจำผิดก็ช่างเถอะถ้าน ห, หน้าหดจะไม่ถึงหมื่นคนหนหุหดก็ต้องพันคนมีบริวารสิบสองหมืน 12, ไม่สิดสองหมื่นก็สิบสองพันผมจำไม่ถนัดพระราชโองรถทั้งสามรับสั่งแล้วที่เรียกบริวารเหล่านั้นมาเพี่งแต่ว่าเราทั้งสามจะรับสินสิบนุ่งผ้ากาสาวยะ 2, สองผืนอยู่ร่วมด้วยพระศาสดาตลอดไตรมาสผัวพันจะงรับค่าใช้ใจ่ายมีประมาณเท่านี้ แล้วก็ทำของเคียวของบริโภคทุกอย่างให้เป็นไปทั่วถึงแก่บรรดาพระวิษุเก้าหมลูกและนักรบของเราหนึ่งพันเพราะแต่นี้ไปพวกเจ้าจะไม่เราจะไม่พูดอะไรกับท่านเป็นอันว่าคำสั่งนิยสั่งเป็นวาระแรกแล้วก็เป็นวาระสุดท้ายจะไม่สั่งอะไรอีกก็หมายความว่าท่านทั้งสามอ์ ท่านสามพระราชาโอรสได้รพร้อมกันในกองกนักรบทั้งหมดหนึ่งพันที่เป็นพระสหายทหารร่วมใจใ ย, ยรักษาศีลสิบด้วยกันแต่ว่าเวลาท่านทั้งหลายในการเวลาที่จะรักษาศีลสิบจรักษาได้ได้ไม่ได้นั้นก็ขอให้ท่านทั้งหลายงดไปก่อนเพราะว่าเวลานี้หมดเวลาแล้วคอยรับฟังมาอื่น